เจ้าชายวีตาโศกยังยาวความเมื่อถูกผู้ใหญ่ยุเช่นนั้นก็ทรงตื่นเต้นและอยากลองเมื่ออัครมหาเสนาบดีและสีครินเห็นเจ้าชายทรงลังเลพระทัยอยู่เช่นนั้นก็รีบนำราชาพรของพระเจ้าอาโศกมาถวายพระอนุชาเจ้าชายวีตาโศกจึงลองสวมขัติยาพรทั้งปวงมีพระมหามงกุฎเป็นต้น